พ้นไหนมาบ่พ้นไหนอันพ้นอ๋อใส่หลวงพ่อเพิ่นเนี่ยบ่เห็นเนี่ยฮะหลวงพ่อไปใสหลวงพ่อเพิ่นถามหาบ่าเห็นหลวงพ่อได้ด็เนี่ยอไอนอนอยู่นี่คืนนี้ ไปนอนอยู่วัดนี่มีจะคนยกมือยกมือนอนอยู่วัดนี่อ้าโอ้ใช่การ น, นอนอยู่วัดกับผมีมยังมาจาังหานแล้วมื อ, อ, อืนี่เนาะผู้ยกมือนี่แสดง ว, ว่าลงทานบอกมาลงทานแล้วลงทานที่หม้อก๋วยเตี๋ยวใหญ่ๆนะลงทานใครนาะ มาบอกฮะแม่หมวยมาบอกไหนว่าแล้ว <laughs> ใ, ใครเฝ้ามองมอดเจียว<ม>ให้เนี่ได้ยินอะไรจะกลับนี่แม่บอนี่อ๋อสิกับม <c oughs> ัในบอกไกลๆเด้อขาบบดีนั่งก้บบดีเจินกับบดี ยืนนานก็พอดีนอนนานก็พอดีนั่งนานก็พอดีมันเสื่อมไปหมดแล้วทุกอย่างช้ำรูดซุดซมเสื่อมไปหมดอะไรจะอยู่เท่าเดิมมันไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมดอกอะไรทุกอย่าง ที่อยู่รอบข้างตัวเรามีอะไรบ้างที่มันจะอยู่เท่าเดิมไม่มีเนาะแท้จริงพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้ให้ยอมรับว่าธรรมชาติเหล่านี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้กระแสของมันก็คือก็คือกระแสของความไม่อยู่เท่าเดิมนี่แหละนี่เป็นกระแสของมัน แท้ที่จริงพอเรารู้เรารู้ข้อเท็จจริงของมันเนี่ยกลายเป็นเรื่องของการรู้เรื่องธรรมการรู้รู้ข้อเท็จจริงของมันกลายเป็นการรู้เรื่องของธรรมกระแสของธรรมคําว่าธรรมหมายถึงธรรมชาติเหล่านี้ธรรมชาติเหล่านี้คืออนิจจ์ทุกขออ์อ น, น, น, นัตตาคือกระแสของธรรมกระแสของธรรมอันนี้ไม่มีใครสามารถดัดแปลงได้นะให้เป็นอย่างอื่นไม่มี แม้แต่พระพุทธเจ้าอุบัติมา ก, กี่พระองค์กี่พระองค์ไม่มีพระองค์ใดแม้พระองค์เดียวดัดแปลงให้เป็นไปอย่างอื่นได้ที่จะให้มันคืออยู่คงทนที่จะไม่มันเปลี่ยนไปที่จะให้เรียกกําหนดนับว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนไม่มีใครสามารถดัดแปลงได้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านศึกษาสัาจธรรมข้อนี้แต่ด้วยบุญญาบารมี บรรลุดได้รู้ดได้เห็นได้ด้วยพระสติปัญญาของพระองค์เองเด็กๆอย่าเล่นเด็กๆทําไมไม่ฟังเทศนะผู้ใหญ่ต้องบอกนะผู้ใหญ่พาเด็กมาวัดเนี่ยผู้ใหญ่ต้องรับผิดชอบเนี่ยเห็นไหมเสียงเจียวแจ๊วเนี่ยไปบอกอ่าใครพาเด็กมาต้องรับผิดชอบเลย<ป>ต้องปลุกฝังเขาจับเขามานั่งภาวนาตรงนี้ไปจับมา ไปอืมเนี่ยกระแสะเหล่านี้ก็คือกระแสะของโลกทั้งนั้นเลยแหละอยู่รอบข้างตัวเราเยแต่ในใจของเราในใจของท่านเนี่ยทุกๆหัวใจใจทุกๆดวงที่ยังเป็นใจที่มีกิเลสเต็มแปร่อยูในหัวใจชอบจะไปกะสิ่งโน้นให้ให้ถูกใจเรากะสิ่งนี้ถูกใจเรากะสิ่งนั้นให้เป็นไปตามใจหวังของเรา นี่คือความโง่ที่สุดของใจดวงนั้นไม่ว่าใจเราไม่ว่าใจเขาใจใครเท่านั้นไปกะสิ่งนั้นไปกะสิ่งนี้ให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองทั้งๆ ท, ที่สิ่งนั้นๆเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยของเขาเหมือนอย่างที่เด็กมันเล่นเลยนะเหตุปัจจัยมันไม่ใช่อยู่ที่เราอยู่ที่เขาเขากวิ่งตีนของเขาพากเสียงร้องกับเสียงของเขาใจที่ก็พาวิ่งเปใจของเขา ใจที่เขาัาหัว ร, รัร่าอย่างใจของเขาแต่เรามักจะขัดใจแล้ว เ, เด็กๆน่าจะเงียบเด็กๆน่าจะนิ่งเด็กๆน่าจะสงบเด็กๆน่าจะมาฟังธรรมะนี่คืออำนาจของอัตตารู้จักไหมตัวนี้แหละคือตัวอัตตาดูมาที่ใจของเราจะเห็น ถ้าพยายามสังเกตสังกาจะเห็นตอนนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เป็นเรื่องของตัณหาทั้งนั้นแหละคือความอยากความดิ้นรนความทะเยอทะยานของใจใจนี้มันดิ่นรนทะเยอทะยานไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณมันไปนกักเกณ์ทุกหยินทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ให้เป็นไปตามใจหวังของมันเรามาดูแบบที่เรารู้เหตุรู้ปัจจ ร, รู้ปัจจัยของมันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันโง่ที่สุดอ่า สิ่งที่เป็นอยู่รอบข้างตัวเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเป็นเหตุเป็นปัจจัยเขามีเหตุมีปัใจจัยในตัวของเขามีเป็นเหตุเป็นปัใจจัยในตัวของเขาพวกเราแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยเรามีรูปธรรมเรามีนามธรรมเรามีบุญของเราเรามีบาปของเราเรามีบุญกรรมของเราเรามีบาปกรรมของเรา เรามีความสุขของเราเรามีความทุกข์ของเราเป็นเหตุเป็นปัจจัยเด็ดขาดแต่ละคนแต่ละท่านแต่ใจของทุกคนนั้นเกิดมาแล้วก็ผลเปื้อนมากับอานาจของกิล เ, เลสนี่แหละตัวที่ร้ายกาจที่สุดที่มันไปดัดแปลงให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามใจควาของเราแท้ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งรูปธรรมของเรานามธรรมาของเราหากเ้ามีอยู่เป็นอยู่ด้วยเหตุด้วยปัจจัย คำว่าเหตุคําว่าปัจจัยคือส่วนปรุงส่วนประกอบนับตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปท่านเรียกว่าเหตุหรือปัจจัยหรือกองสังขารเช่นอย่าร่างกายของเราถือว่าเป็นกองสังขารกองหนึ่งจิตของเราก็เป็นกองสังขารกองหนึ่งคําว่าสังขารคือสิ่งปรุงสิ่งประกอบคําว่าสิ่งปรุงสิ่งประกอบคือมันย่อมมีเหตุมีปัใจจัยในตัวของมัน เนี่ยมีเป็นเหตุเป็นปัจจัยในตัวของมันเมื่อมีเป็นเหตุเป็นปัจจัยในตัวของมันเหตุปัจจัยเหล่านั้นแหละมันปรุงแต่งเช่นอย่างร่างกายของเราพระพุทธเจ้าท่านทรงท่านทรงตรัสว่ามันประกอบไปด้วยท่าท่าที่เป็นรูปธรรมจิตใจของเราท่านทรงตรัสว่าเป็นท่าท่าที่เป็นส่วนนามมาทำแปลว่าา่ารู้า่ารู้ปัญญาทาตท่ารู้ย้อนมาที่ใจของเราเราจะเห็นท่ารู้ รูปัธรรมกับนามธรรมมาประกอบกันก็ยิ่งเป็นกองสังขารกองใหญ่อีกกองหนึ่งยิ่งพวกเราเกิดในอัตภาพเป็นมนุษย์มีอาการ5มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาแต่อาการทั้ง5้เนี่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่เป็นกิริยาอาการของผู้รู้รูปปัธรรมของเราก็เป็นกิริยาอาการของผู้รู้ของเราของธาตุรู้ของเรา เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขเป็นกิริยาเป็นอาการของธาตุรู้ของเราการตั้งใจปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาศึกษาสมถะศึกษาวิปัสสนาศึกษาเพื่อที่จะให้รู้รว่ากิริยาอาการของผู้รู้เราคืออะไรบ้างมีอะไรบ้างมีภาวะเป็นอย่างไรบ้าง ให้รู้ว่าอันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นเวทนาอันไหนเป็นสัญญาอันไหนเป็นสังขารอันไหนเป็นวิญญาณให้รู้จักนอกจากให้ศึกษาให้รู้จักแล้วให้ศึกษาให้รู้จักความเป็นไปของมันอ๋อมันไม่คงทนโอ้มันต้องเปลี่ยนไปความไม่คงทนนี่แหละเป็นทุกข์ความไม่คงทนเนี่ยอยู่ไม่เท่าเดิมนี่แหละคือก่อทุกข์ทุกข์ในหลักของอริยสัจสี่ อริยสัจสีก็คือทุกไม่อยู่เท่าเดิมทุกไม่คงที่ทุกไม่อยู่เท่าเดิมทุกต้องเปลี่ยนไปทุกขงังทุกขงังทุกทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปลักษณะอาการการเปลี่ยนไปเป็นอนิจจันอนิจจันตแปล ว, ว่าทุกขังทนไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นอนิจจันต์สำคัญทุกอย่างทั้งตัวเรา ทั้งกายเราทั้งใจเราทั้ง ต, ต้นไม้ภูเขาสะลงสลาไฟหลอดนิออนอะไรที่อยู่รอบข้างตัวเราไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมทั้งนั้นต้องเปลี่ยนไปไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมต้องเปลี่ยนไปโดยเหตุที่เราเกณฑ์ให้มันอยู่เท่าเดิมไม่ได้โดยเหตุที่เราเกณฑ์ม่ใหมันไม่เปลี่ยนไปไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาคําว่าอนัตตานั้นมันเป็นที่ใจของผู้คิดผู้อ่านทั้งหานะเพราะตัวนี้เจ้าตัณหาที่มีอยูนึ่หัวใจมันไปกัดไปเกณฑ์เอามันไปบีบไปบังคับไปมั่นหมายให้เป็นไปตามใจหวังของมันนั่นคืออํานาจของความดิ้นรนทยอทะยานของใจความดิ้นรนความทยอทะยานของใจคือเจ้าคือจอมของวัตถจักโดยเหตุที่ เราปล่อย ใ, ใจของเราดีดิ้นล่องลอยไปเกี่ยวเกาะกับรูปกับเสียงกับเลิ่นกับรถกับสัมผัสทุกอย่างทุกเรื่องตามแต่เราจะไปเกิดในพบใรในภูมิใดจนชินจนกลายเป็นจริตจนกลายเป็นนิสัยเลยกลายเป็นนิสัยของปุถุชนกลายเป็นนิสัยของปุถุชนทําให้เราเหนียวแน่นมั่นคงอยู่กับพบอยู่กับชาติแก้ไม่จบ ศึกษาเกิดความรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยรู้ได้ยากมากใจมันยังไม่ถึงแม้แต่พระศาสดาได้แท้ท่านยังท้อใจยังท้อพระไช่ท้อพระไช่ที่จะมาสอนใครที่จะมาบอกใครให้รู้อยากได้ให้รู้เรื่องได้ในทีนสุดจงในที่สุดจึงต้องมีประมาจโลกาฮโอ้แต่วันนี้ไม่มีพระมาจโลกานะแต่เราได้ยินว่าถ้าเรามาแล้วเขาใช้เราพูดธรรมะ เ ร, <า>เราก็อาวรนนั่นแหละเป็นคําอาดาชนานะนี่ก็พูดธรรมะเลยเนีย่ไม่ต้องพรหมาจรรกานะไม่ต้องพรหมาจรรย์อะไรไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมการที่เราจะมารู้เรื่องรูปธรรมเมือร่างกายของเราเนี่ยท่านจึงให้เรามากําหนดจดจ่อดูเพราะอันนี้เป็นกองทุกกองทุกนี่ท่านให้ศึกษาท่านให้กําหนดรู้กำหนดกำหนดรู้ แล้วกำหนดพิจารณาแล้วกําหนดละส่วนที่เป็นรูปคำว่ า, าละก็คือการรู้นั่นเองเช่นอย่างร่างกายเราพระพุทธเจ้าท่านให้เราแยกแยะว่ามันประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเราจะเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยมีหัวมีแขนมีลําตัวมีขาและก็มีชีวิตมีชีวิตทําให้เรายืนเดินนั่งนอน ืินดื่มทําพูดคิดอะไรทอะไรได้เป็นชีวิตเป็นชีวิตที่ไม่เหมือนชีวิตของต้นไม้ปดาเป็นชีวิตที่ไม่เหมือนชีวิตของต้นไม้ชีวิตมนุษย์ชีวิตต้นไม้ไม่มีวิญญาณครองแต่ชีวิตของคนนั้นมีวิญญาณครองชีวิตต้นไม้ไม่มีวิญญาณครอง ต้ไมมีความรู้ไหมรู้สักแต่ว่าเป็นสัญชาติสันชาติยานสัญชาติยานมีความรู้แค่นั้นแหละรู้ว่าต้องการแดดต้องการแสงแดดต้องการแสงสว่างต้องการแสงแดดระดับปรุงอาหารเนี่ยธรรมชาติต้องการแสงแดดต้องการอาหารต้องการความอบอุ่นเท่าก <Sí. S 1> ับที่มันต้องการต้องการความร้อนเท่าที่มันต้องการมันมีสักเท่ว่าเป็นสัญชาติยาน มันไม่มีมันไม่มีวิญญาณครองแต่มันไม่มีตัวเสวยทุกนะมันมีแต่ทุกขสภาวะที่เปลี่ยนแปลงให้เราผู้มีใจครองเนี่ยรู้ว่าเออมันมีสภาวะทุกเมื่อกันเชนอยากมันต้องเหี่ยวมันต้องเฉาอ่มันถูกนั้นจบมันทุกนี้จบเสร็จแล้วมันก็ต้องตายนั่นคือทุกขสภาวะของมันรูปธรรมของมันรามองเ็นเป็นทุกขสภาวะ แต่มนุษย์เรานั้นมีความทุกข์ทั้งรูปธรรมคือร่างกายทั้งนามธรรมก็คือใจใจทุกข์ใจทุกข์ก็คือใจมีอะไรมาขัดข้องมีอะไรมาขัดขวางทุกเสียใจทุกไม่ยินดีทุกไม่พอใจทุกน้อยเนื้อจาใจทุกระทมตรงตรอมใจทุกไม่สมหวังจุกลงแล้วก็คือทุกเพราะไม่สมหวัง เช่นอย่างร่างกายของเราทุกคนเนี่ยยึดรูปยึดเวทนาสัญญาสังขารวิญญายึดแล้วก็ไม่สมหังเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าสิ่งที่รวมกองทุกทั้งหลายทั้งปวงก็คือปัญจขันธ์เราพยายามไปบังคับบัญชาปัญจขันธ์ให้เป็นไปตามใจหวังของเรามันไม่เต็มไม่เป็นไปตามใจหวังเราก็ทุกเช่นอย่างไม่ตักไม่ต้องการให้ร่างกายแก่แต่มันไม่ฟังเราดอกไม่ต้องการให้มันเจ็บ มันก็ไม่ฟังเราไม่ต้องการให้ตายมันก็ไม่ฟังเราหากมีการแก่ขึ้นมาเราทุกข์แล้วมีการเจ็บขึ้นมาเราทุกข์แล้วมีการตายขึ้นมาเราทุกข์แล้วเราตัวเราเองพูดที่จะตายทุกจนตายแต่สำหรับผู้ที่อยู่ใกล้ผู้ตายผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ผู้เป็นพี่เป็นผัวเป็นเมียเป็นอะไรก็ตามแต่มีไฟได้ไฟหนึ่งตายไปทุกข์ไหม ตอกทุกทุกเพราะวิโยคทุกเพราะพลาดพลาดทุกเพราะคิดถึงทุกเพราะอาลัยทุกเพราะงวงใยสารพัดทุกเพราะเมตตาทุกเพราะสงสารนี่คือความทุกความทุกทั้งนี้เนื่องจากเราต้องการไม่ให้มันแก่มันเป็นเรื่องของตัณหาตัณหามันอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย อยากไม่ไม่ให้มีแก่อยากไม่ให้มีเจ็บอยากไม่ให้มีตายอยากไมให้ยุบแต่สิ่งที่เราอยากให้ก็เป็นไปตามใจหวังของเรานะ่งสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามใจหวังของเราทั้งนั้นในเมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังโดยเหตุที่เราอับจนกับสภาวะหรือกระแสของธรรมธรรมะหรือธรรมชาติเหล่านั้นกระทุกปราถนาไม่สมหวังแล้กรทุกปราถนาไม่สมหวังกรทุก ท่านจึงว่ายังปิดช่างนันลลรัตปติตามปิดทุก ข, ข์ั้งปรานาสิใดไม่สมหวังก็ทุกนี่คือความไม่คงทนของสังขารเพราะฉะนั้นพรสสะพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมท่านจึงยกกองสังขารมาเป็นหลักให้เราดูให้เราพิจารณากองสังขารรูปของของเรากองสังขารนามของเรา่มีภาวะเป็นไม่อยู่เท่าเดิมเป็นกองทุก ต้องเปลี่ยนไปเป็นอนิจจ์เป็นทุกขังแล้วก็เป็นอนิจจ์ไม่มีใครดัดแปลงได้ทุกอย่างในโลกมนุษย์เราฉลาดสามารถใช้ปัญญาพิจารณาดัดแปลงให้เป็นไปตามใจหวังได้เช่นอย่างไฟเนี่ยไฟธรรมชาติเราดัดแปลงมาให้เป็นหลอดเป็นไฟเป็นอะไรด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันเห็นไหมเสียงต๊อกต๊อกต๊อกตน่นมันผิดกระแสไฟฟ้าทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าสว่างขึ้นมาได้ดัดแปลงมันสว่างได้ ดัดแปลงมาจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มันสว่างในตัวของมันด้วยกลุ่มก๊าซต่างๆที่มันทํางานทําให้มีการเผาไหม้อยู่ในนั้นโดยหลักธร ร, ร, รมชาติของมันนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเป็นมาจากอะไรเราไม่ต้องไปรู้หมันมันหามมีอยู่อย่างงี้แหละโลกพระอาทิตย์โลกพระใใจันทร์มันมีอยู่เป็นอย่างเงี้ดวงดาวดวงเดือนเต็มท้องฟ้านะ่ะนี่คือหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติของวัตถุ ห, หลักธรรมชาติของวัตถุธรรม หลักธรรมชาติของนามธรรมโดยเฉพาะจิตใจของคนของสัตว์มันก็เป็นธาตุเหมือนกันวัตถุธาตุนก็มีประจําโลกแต่นามธาตุคือทารู้ของเราเขมีมาประจําโลกเหมือนกันแท้ที่จริงพวกเราเอาของเก่ามาเกิดเอารู ป, ปรธรรมที่เป็นของเกา่าเป็นดินน้ําลงไฟของเก่ามาเกิดเอานามธรรมที่เป็นรูปไอเป็นเป็นวิญญาณเป็นความรู้เป็นท า, ารูราร้มาเกิด พอมาเกิดเกิดด้วยอํานาจของบุญของกรรมเกิดด้วยอํานาจของบุญของกรรมร่างกายของเราของเราความเป็นมาของกายของเราเราก็พอจะรู้ได้แต่ความเป็นมาของใจของเราเรารู้ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทรงตั้งไว้ที่อวิชาชาอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขาร พระองค์ทรงตั้งไว้ที่อาวิชชาแสดง ว, ว่ามันพัฒนามาเป็นระยะการเวลาที่ยืดยาวเท่าไหร่เกิดมาตั้งแต่กับการโบราชาไนะหนเราก็ทราบไม่ได้แต่หากมันพัฒนามาตามหลักธรรมชาติของมันพัฒนามาเรื่อยพัฒนามาเรื่อยพัฒนามาเรื่อยสมมติว่าธาตุรู้ของเราเนี่ยพัฒนามาอย่างไม่จบไม่สิน้นและก็ไม่มีการตายไม่มีป่าชาธาตุรู้คือใจของเราด้วยกันทุกคนเนี่ย ไม่มีตายไม่มีป่าชา้าฮาแต่ว่าบุญกรรมของเราเนี่ยทำให้ถ้ารู้เราเนี่ยเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิไปเรื่อยเปลี่ยนไปตามอานาจของบุญของกรรมของตัวเองถ้าไม่ไม่มีคุณสมบัติพอคุณสมบัติไม่พอที่จะมาเป็นมนุษย์ก<ม>็ไปเกิดเป็นสัตว์อ่าไปเกิดเป็นสัตว์มนุษย์มีความรู้มากมีความเข้าใจมากมีความสว่างสวัยในในจิตของตัวเองมากแต่สัตว์ก็มีความรู้น้อย เราไปดูพวกสัตว์เขาไม่มีความฉลาดเขาไม่มีความรู้น้อยแต่ด้วยเหตุที่บุญกรรมเขามีอยู่แค่นั้นส ม, มันอยากเกิดเป็นมนุษย์พับคุณสมบัติไม่พอที่จะเป็นมนุษย์ทำมาหากินผิดไม่ซื่อสัตว์ไม่สุดจริตผิดมนุษย์มานาไปเรื่องธรรมดา่ามรนดา่าชอบลักชอบขโมยชอบสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายตายไปอย่างดีที่สุดไปเป็นสัตว์เอริฉ า, างเนี่ย เป็นหมูม้าเป็ดไก่วัวควายชาาย้างม้าเนี่ยนี่คือสัตว์เดรัจฉานความรู้เราความรู้ของเขานี่พัฒนาไปได้อย่างเชื่องช้าที่สุดศักพท์ว่ารู้จริงๆแต่เขาจะมีความรู้รู้ว่าพืชทั้งหลายที่มันมีแต่สัญชาติยาณเป็นชา้างเป็นมา้าเป็นควายเป็นวัวเป็นอะไรพอจะพูดพอจะบอกพอจะฝึกใช้สอยกันได้บ้างแต่มันไม่เหมือนมันสมองมนุษย์ มันสมองของสัตว์เหล่านั้นมันฉลาดสูม้มันสมองของมนุษย์ไม่ได้เพราะมนุษย์มีบุญมีมนุษยธรรมจึงมีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยพบภูมิทั้งหลายเหล่านั้นแหะมันพัฒนาไปไม่มีการไม่มีซ้ำกันหรืออาจจะซ้ำก็ซ้ำเรือ่องนาะของกรรมเนี่ยฉะนี้มาเกิดเป็นไก่ห้าร้อยชาติเนี่ยก็ซ้ำถึงว่าจะมาซ้ำพบชาติความเป็นไก่ก็ตา่าง แต่รูปร่างลักษณะผิวพรรณความเป็นอยู่อะไรก็จะต้องเปลี่ยนไปในภพชาติของเราพัฒนาไปไม่รู้จักจบพัฒนามากี่กับกันกี่บุริชาเราก็ทราบไม่ได้เป็นสัตว์เล็กเป็นสัตว์ใหญ่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมแล้วแต่บุญกรรมที่จะสร้างที่จะทําพัฒนาไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่เคยคงที่ไม่เคยอยู่เท่าเดิมอันนี้พระพุทธเจ้าท่านศึกษาท่านรู้ท่านเข้าใจหมด ความเป็นไปเป็นมาของจิตของจิตใจของเราก็คือพุทธเจ้าท่านทรงตั้งไว้ที่อวิชชาอวิชชาถ้ารู้เกิดขึ้นมาได้อย่างไงพุทธเจ้าท่านทรงตั้งไว้ที่อวิชชาอวิชชาอวิชชานี้มันมีอยู่สองเงื่อนใหญ่ๆที่เราควรจะศึกษาทําให้เราเข้าใจว่าอวิชชาเก่ามันส่งเรามาแล้วแต่อวิชชาใหม่มันพร้อมพร้อ ม, อมที่จะ ทำให้เราเกิดอวิชชาใหม่พร้อมที่จะส่งให้ให้ให้ให้เราเกิดมีอวิชชาเป็นหลักปรักญาชั้นเยี่ยมอวิชชาอาวิชชาเก่าก็ห ม, มายความว่าบุญกรรมของเราไม่ดีมาเกิดเป็นมาเกิดไป น, น, ไปนี้มาเกิดได้ยังไงเราก็มาทราบตามที่พระพุทธเจ้าททรงสอนทรงตรัสไว้มาเกิดตามบุญตามกรรมเราก็ทราบได้แค่นั้นเข้าใจแค่นั้นแต่วิสัยของพระพุทธเจ้าท่านรู้ทะลุ ป, ปุโปรหมด ในมัชชิมยามที่พระองค์ทรงรู้ปัทชิมปัมยามรู้พบชาติของพระองค์เองในวันตรัสรู้ยามท่ามกลางมัชชิมยามพระองค์รู้พบชาติของสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายเกิดตายด้วยอํำนาจของกรรมกรรมทําให้เราขึ้นที่สูงทําให้เราลงที่ต่ํานี่เราพูดถึงความไม่คงที่ของภาตรู้ของวิญญาณธาตุของเราด้วยเหตุที่เราไม่รู้นั่นเองทําให้เราได้กองสังขาร โดยเจ้าท่านทร ง, งตั้งไว้ที่อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารรวมสังขารในชนิดรวมทั้งรูปประสังขารรวมทั้งนามาสังขารที่ท่านไล่ไว้ในหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราไปดูเหตุปจัจจัยที่ก่อนเนื่องพันกันมาเป็นลูกโซ่ท่าเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่พระองค์ทรงพิจารณาในนู้ในที่ละในที่เจ็ดแห่งแห่งละแห่งละเจ็วันเจ็วันที่พระองค์หลังจากได้จักสรู้แล้วสวยวิมุติสุขอยู่ รองทรงพิจารณาหลักของปฏิจจสมุปบาทพิจารณาถึงคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้บรรลุมาว่าอะไรเป็นอะไรมาไล่มาแจกมาแจงมานุนมานี้กลายเป็นกลายเป็นหลักกลายเป็นสูตรกลายเป็นกฎกลายเป็นเกณฑ์ที่พระรงองค์เอามาสอนพระสาวกเนี่ยหลักปฏิจจสมุปบาทอาวิชชาเก่าทรงเรามาแล้วทีนี้อวิชชาใหม่เรามาพิจารณาว่าอาวิชชา เรามารู้สักก่อนว่าอวิชชาอวิชชากับตัณหาตัณหากับอวิชชามันก็อันเดียวกันอวิชชากับโมหะกับอวิชชากับกิเลสมันอันเดียวกันเกิดขึ้นจากเจ้าตัวตัณหาตัณหานี่ก็เป็นคําเรียกแต่ตัวที่แท้จริงของมันก็คือความอยากความริ่นรนความเสยเทียนของใจใจของเรามีความอยากมีความริ่นรนมีความเสยเทีานอยู่ข้างในมันอยากยังไงเราย้อนไปดูอยากยังไงเราย้อนไปดู ย้อนไปดูใจของเราเนะี่ยย้อนไปดูใจของเราเราจะรู้แบบความอยากเราต้องการจะทราบว่าอาวิชชามันครอบงาจิตของเราได้ยังไงเราก็มาพิจารณาตอนที่เราทําความเพียรเช่นอย่างเรานั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธในขณะที่เราตั้งสติสติของเราก็จะโรู้เมื่อก็เราเอาสติของเรามาปลุกผู้รู้ของเราให้ตื่นโร่้สติคือความระลึกได้ ทำให้ผู้รู้ธาตุรู้ดวงนั้นระลึกยับยับยับรู้รู้รู้รู้ระสติตัวนี้แหละทาให้จิตทำให้ผู้รู้ดวงนั้นตื่นรูขึ้นชัดเจนเต็มร้อยในขณะในขณะนั้นในตอนนั้นเมื่อเราต้องการให้จิตมันอยู่ไม่ให้มันไป น, นึกคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิน่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเราก็เอาอารมณ์ที่เป็นธรรมนี่มากากับพุโทโธพุธโทโธ คจิตอยู่กับพุโทโธมีสติกำหนับกำกับกำหนดจดจ่ออยู่กับพุโทโธพุธโทโธในระหว่างที่จิตของเราสว่างสวยอยู่กับคําว่าพุโทโธนั้นจิตของเราก็รักษาอารมณ์คำว่าพุโทโธได้พุโทโธได้มันไม่พาจิตเราไปนึกไปคิดไปปรุงเรื่องอื่นเพราะมันสว่างตื่นรู้อยู่กับคําว่าพุโทโธแต่พอเราทําไปเราทําไปเราทําไปด้วยเหตุที่ว่า สติของเราไม่แน่นหนามันคงพอเพลอสติพเพราะเพลิดสติปั๊บอวิชชาใหม่มันก็ครอบงำทันทีถ้ า, าเราตั้งสติกำหนดโโอยู่ขึ้นมาเขาไม่ได้ว่าอาวิชชาเขาเรียกว่าวิชชาปแปล ว, ว่าตื่นรู้วิชชาปแปลว่าผู้ตื่นแ<ม>ปลว่าผู้รู้ในขณะที่เรากำหนดนั้ น, น, นคือวิชชาเกิดขึ้นพอวิชชาเกิดขึ้นอวิชช า, าก็ดับไปอวิชชาปแปล ว, ว่าความไม่รู้ ความไม่รู้ก็คือความไม่รู้ในขณะปัจจุบันที่เราเราลึกรู้สึกตัวอยู่นี่เราดูอวิชชาเก่ากับอวิชชาใหม่เราจะได้รู้ว่าตัณหาคือบทบาทของมันของอวิชชาของตัณหาของอุปาทานที่มีอยู่ในหัวใจของเราเราต้องใจภาวนาพุทโธพุทโธพอเราเผลอปับ๊บหมายความว่าเราขาดสติพอเราขาดสติปับ๊บวิชชามาครอบงาจิตเราแล้วหรือโมหะมาครอบงำจิตเราแล้ว หรือตันหามันครอบงําจิตเราแล้วพอมันครอบงาครอบงาจิตของเรามันก็เอาจิตของเราไปใช้อย่างอื่นไปแล้วเอาไปนึกไปคิดไปปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องราวที่จิตมันชอบที่สุดในขณะนั้นในตอนนั้นถ้าหากจิตมันกําหนัดไปเกี่ยวกับเรื่องราคะเกี่ยวกับเรื่องตันหามันก็ปรุงปรุงปรุงไปจนสุดสุดรอบของมันแต่ด้วยเหตุที่เราฝึกเราฝืนอยู่นี่เองมันอาจจะปรุงไปห้าขณะสิบขณะเนี่ย เรารู้ทันพอเรารู้ทันก็ดับนะดยตที่เราฝึกเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆจากสิบขณะมาเหลือเจ็ดขณะห้าขณะสี่ขณะสามขณะสองขณะขณะของจิตนะขณะของสติที่มันทางานมันตรงยับยับยับบางทีพุโทโธพุโทโธยังไม่ได้พอห้าคำเนะี่ยหายไปแล้วยังไม่ได้พอห้าคำหายไปแล้วเพราะสติเราอ่อนสัมมัญชันยะเราอ่อน ความภาคความเพียรพระคับประคองจิตของเราเมัอนอ่อนอวิชชาก็ครอบงำเพราะอวิชชาครอบงำจิตของเรามันมืดเ <c oughs> มื่อจิตเรามืดตัณหามก็ครอบงําจิตของเราเอาจิตไปนึกไปปรุงไปคิดตามอํานาจของความอยากความริดน์นความเฉยทะยาของมันการตั้งใจภาวนาเราต้องมาต่อสู้กันตรงนี้ใครเคยต่อสู้พอพูดถึงอย่างนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้แหละคือสนามชัยคือใจสมรภูมิของเรา ทีเราจะต้องเอาสติเอาสัมผััญญามากำกับ ม, ม, มากำหนดจดจ่อมาดูแลมาควบคุมจนตัณหาตัวนี้โผล่ขึ้นมาไม่ได้จนอวิชชาตัวนี้โผล่ขึ้นมาไม่ได้มีแต่วิชชาคือผู้รู้วิชชาแปลว่าผู้รู้แปลว่าวิชชาแปลว่ารู้อวิชชาแปลว่าไม่รู้ในขณะที่เรากำหนดจดจ่อภาวนามาเกิดวิชชาขึ้นมารู้เค้เรียกว่าสว่างสว่างสว่างสว่าง ในขณะที่มีความสวา่างมันตื่นตัวโรรอยู่ในนั้นสติก็อยู่ในนั้นสัมปชัญญะอยู่ในนั้นขันติวิริยะอุตสาหะอะไรอรวมประกอบอยู่ในนั้นเราพยายามจะล้อมตั้งใจรวบรวมกําลังรวบรวมพลังเหล่านี้ตั้งใจกําหนดจดจ่อนั่งหนาทีนั่งสิบนาทีเราพยายามกำหนดจดจ่อให้มันรู้อยู่กับตรงนี้ไม่ให้มันดับไม่ให้ผู้รู้ของเราเนี่ยมันดับคําว่าดับในที่นี้หมายความว่ามันเพลินไปกับอารมณ์ อารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิน่นเป็นรสเป็นสัมผัสนั้นพอมันเพลินไปปับ๊บวิ ช, ชาคือผู้รู้คือความสว่างของใจของเราว่าดับไปแล้วจึ ง, งรามืดไปแล้วลืมตัวลืมปัจจุบันลืมอารมณ์ปัจจุบันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วตอนนี้อวิ ช, ชามาครอบงามแล้วเอาไปถลุงอีกแล้วอวิ ช, ชามันครอบงำไปถลุงอีกแล้วไม่ว่าเราไม่ว่าท่านไม่ว่าครูบาอาจารย์ยุคใดสมัยใดก็ตาม ตรงนี้เป็นชัยเป็นสมรภูมิที่จะทําให้เรามาฝึกมาฝนมาฝึกมาฝนอาศัยสติตัวนี้นะเป็นตัวสําคัญเป็นเป็นหลักในการประกอบความภาคความเพียรการที่เราจะทําให้ใจของเราสงบก็ต้องอาศัยสติอาศัยสัมปชัญญะการที่เราจะเจริญวิปัสสนาคือความรู้พิจารณาความเป็นไปของกิริยาอาการของอารมณ์ทั้งหลายที่มีอภายในใจก็อาศัยสติอาศัยสัมปชัญญะ เพระาะฉะนั้นสติกับสัมผััญญาจึงเป็นอุปกรณ์เกื้อขูณมีคู่นูปการกับการตั้งใจภาวนาเป็นอย่างยิ่งทั้งส ม, มถะภาวนาทั้งวิปัสนาภาวนาถ้าขาดเจตสิกธรรมตัวนี้ไปแล้วส ม, มถะก็เกิดไม่ได้วิปัสนาก็เกิดไม่ได้กลายเป็นจิตของปุถุชนล่องลอยอยู่อย่างนี้แหละดีบ้างไม่ดีบ้างปรุงดีบ้างพรุงชั่วบ้าง ได้รับความสุขบ้างได้รับความทุกข์บ้างปนเปกันอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะมาต่อกรเพื่อที่จะรู้เรื่องเรื่องราวของตัญหาที่มีอยู่ในหัวใจของเราเราต้องเอางานของเรามาอยู่ในวงงานตรงนี้อ mm hmm. เพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราภาวนาตั้งใจให้ภาวนาให้จิตสงบ mm hmm. เพื่อสงบระงับจากกามคําว่ากามกามในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เป็นรูปเรานั่งหลับตาภาวนานี่แหละ รูปโผล่ขึ้นมาปรากฏเป็นรูปพันธมิตรเสียงโผล่ขึ้นมาเป็นสัพท์เป็นสัทท์มันเป็นเรื่องของสัญญารูปสัญญาเสียงสัญญากลิ่นสัญญารสสัญญาอืมโพธิภะโพธิภะสัญญาอ่าแล้วก็ธรรมะสัญญาธรรมะสัญญาหมายความว่านึกคิดภายในใจสัญญามันพาเรานึกเราคิดเราปรุงสัญญานี่ก็เป็น กิริยาอาการของผู้รู้อย่างหนึ่งสังขารคือความโรุงของจิตแต่เวลามันทํางานนัมันจะผสมผสานกันแยบเดียวมันมันทำงานไปด้วยกันทั้งกายทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารวิญญาณแยบเดียวมันมันทำไปด้วยกันแย็บเดียวมันถึงกันหมดแย็บเดียวมันถึงกันหมดแต่เวลาท่านสอนเราท่านก็มาแยกโอ้อันนี้เป็นรูปโอ้อันนี้เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาแต่เวลามันทํางานมันแยบเดียวทะลุทั่วถึงกันหมด เราพิจารณามาอย่างนี้เพื่อเราจะได้มารู้ข้อเท็จจริงว่าความไม่คงทนของจิตความไม่คงของทนของกายร่างกายของเราเราดูไม่ยากหรอกอก็เหมือนย่างที่พวกเราอยู่นี้อนะเราพิจารณาจากนี้ไปจนถึงในท้องแม่จากที่พ่อแม่ประกอบการเจริญพันธุ์จนเป็นไห้เราไปปฏิสนธิในท้องแม่เงี้ยตอนนั้นมีแต่น้ํา เหย ด, หย ด, หยดเล็กๆมองไม่เห็นอยู่ในท้องแม่หลังจากไปประกอบกันแล้วเป็นกองสังขารของพ่อกับกองสังขารของแม่ประกอบกันมีปฏิสนธิวิญญาณเข้าไปจับจอเดแล้วก็ตั้งแต่วินาทีนะั้นเป็นต้นไปกองสังขารกองนี้ขึ้นชื่อว่ากองสังขารกองนี้ก็ตามกองไหนก็ตามรูก ป, ประธรรมมีวิญญาณครองก็ตามไม่มีวิญญาณครองก็ตาม ไม่มีสิ่งใดแม้หนึ่งเดียวในโลกนี้ที่อยู่เท่าเดิมไม่มีสิ่งที่มีอยู่เท่าเดิมมีอยู่คงที่ได้มีจิตหนึ่งเดียวคือพระอาหารหันต์เท่านั้นเป็นผู้ติชะล้างได้เป็นผู้ที่ไม่มีก่อสังขารในหัวใจของเราพระสาวกพระอริยาสาวกพระพุทธเจ้าของเราพระจิตของพระองค์ท่านไม่เรียกว่าสังขารแต่เรียกว่าวิสังขารไม่ใช่ก่อสังขารเราจะว่าจะว่าเที่ยงกระเที่ยง จะว่าอยู่เท่าเดิมก็อยู่เท่าเดิมแต่ก็อยู่ในสภาพนั้นแหละตลอดอนันตการไม่มีพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเป็นวัตถุอย่างอางื่นนะจะให้อยู่เท่าเดิมไม่อยู่เท่าเดิมเราจะเห็นว่าอะไรอยู่เท่าเดิมต้นเสาเนี่ยร้อยปีพันปีไปข้างหน้าแล้วก็เสื่อมแล้วสลายเดี๋ยวก็สึกเดี๋ยวก็กรัจงจะไม่อยู่เท่าเดิมแม้แต่เหล็กเหล็กกล้าเหล็กไหลเหล็กอะไรก็ตามแต่ ถ้านอนานปีเท่านั้นแสนล้านปีเท่านั้นกับสิ่งมันนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนรูปจากอย่างหนึ่งไปเป็นอย่างหนึ่งคือเชื่อว่าวัตถุที่ประกอบกันอันเกิดขึ้นจากกองสังขารแล้วจะไม่อยู่เท่าเดิมแต่หาเห็นชา้าหรือเห็นเร็วเท่านั้นเองเราดูอันนี้เป็นเป็นเครื่องกําหนดเพื่อเราจะได้รู้ว่ากองสังขารของเราไม่อยู่เท่าเดิมโอ้การที่เรามากกะเกลให้ร่างกายของเราเป็นประจาใจควาของเรา ทุกแล้วเกินเราทุกขล้เกินเราทุกแล้วเกินเรายึดมั่นหมายว่าเป็นเราว่าเป็นของของเรามากเท่าไรเราก็ทุกข์มากเท่านั้นท่านจึงให้เราศึกษารู้ว่าโอ้ภาวะความจริงมันเป็นอย่างนี้จิตมันยอมรับยอมรับแล้วก็ปล่อยออแล้วแต่มันจะเป็นแล้วแต่มันจะตายสมมติยังจิตปล่อยร่างกายร่างกายเนี่ก็ตายในเมื่อจิตปล่อยร่างกายร่างกายตายเมื่อหรื อ, ร, อร่างกายทรงตัวไม่ได้จิตก็ โดดออกจากร่างกายร่างกายก็หมดสภาพหมดวิญญาณครองร่างกายก็สลายไปตามธาตุตามขันธาตุเป็นธาตุดินดินก็ไปเป็นดินน้ําก็ไปเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟก็เหมือนอย่างเราเกิดตั้งแต่อยู่ในท้องไม่ออกมาเป็นเด็กทารกเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคลางคนแล้วก็เป็นแก่แก่ขึ้นมาเรื่อยๆจนแก่ใกล้จะขาดใจตายคือสังขารเหล่านี้มันเปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อย แต่ผู้รู้ของเราผู้รู้ของเราเนี่ยไม่แก่ถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาพิจรารณาปฏิบัติไปมากเท่าไรเราก็มีความรู้กับสิ่งเหล่านี้มากเท่านั้นยิ่งมีความรู้รู้สักจะว่ารู้เรามาพิจารณาโดยจิตของเราในขณะที่พิจารณาเห็นรู้สักจะว่ารู้ความยินดีไม่เกิดขึ้นความยินร้ายไม่เกิดขึ้นความทุกข์ไม่เกิดขึ้น อันนี้แหละคือภาวะของจิตที่เราพยายามพิจารณาให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นใน ใ, นใจของเรา <iquer> นะเพราะฉะนั้นท่านจึงให้กําหนดบริกรรมให้จิตสงบพุทโธพุทโธในขณะที่เราตื่นโกรูอยู่เนี่ยเราทราบเราทราบแต่ว่าเราทราบแต่ว่าผู้ดําริพุทโธก็คือจิตจิตพุทไป็ผู้ ด, ดําริพุทโธพุทโธพุทโธเพืทท่อมให้ใจของเราไปเพลินกับรู้กับเสียงไปยึดติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเพื่อให้จิต ดวงนี้เนี่ยสงบไม่โดดไม่เด้นต้องการให้จิตสงบเพื่อต้องการพลังของจิตจิตที่มีความสงบจิตที่มีสมาธินั้นจิตจะมีพลังการที่จิตมีพลังจากอนานาจของความสงบนั้นจะทำให้เราพิจารณาถึงหลักสักดิ์ธรรมได้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนจนสามารถตัดตัดขาดได้จากการสัาคันมั่นหมายว่าเป็นศัตด์เป็นบุคคล เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งสักดิ์ทว่าเป็นเป็นสภาวะธรรมศักดิ์ทว่าเป็นกองสังขารมีสิ่งนุ่นเป็นปัจจัยปรุงแต่งมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยปรุงแต่งเช่นอย่างให้เห็นกายเป็นกายแต่มันไม่ใช่เราเกิดขึ้นมาจากนิน้ำลมไฟประกอบกันเห็นจิตเป็นจิตคือผู้รู้ศัก์ทว่ารู้เรากำหนดย้อนมาดูที่จิตเราก็สามารถกำหนดย้อนมาดูได้ เราย้อนมาดูกายเราก็สามารถย้อนมาดูได้ก็หมดย้อนมาดูจิตเราก็สามารถย้อนมาดูได้แค่เราบริกรรมพุโทโธเราก็ย้อนมาดูจิตของเราได้พุโทโธพุโทโธก็ย้อนมาดูผู้ที่ดำริว่าพุโทโธย้อนมาดูผู้ดำริว่าพุโทโธการที่เราย้อนมาดูนั้นเกิดประโยชน์มันเป็นเหตุทำให้เราได้สํมรวมระ ม, รมรรัดระวังถ้าหากเราไม่สํมรวมไม่ระ ม, รรมรรัดระวัง นิสัยสัญดานเดิมของใจของเรา alors, ความเลวของใจของเราคือเจ้าตันหามันแทรกเข้ามาในนั้น uh, เผลอปัะมันก็แทรกเข้ามาเผลอปับ๊บก็แทรกเข้ามาคือความอยากความอยากคือตันหาตันหาคือความอยากในใจของเราทุกคนเนี่ยมันดิ้นรนไปตามอํานาจของความอยากแต่ความอยากนั้นให้เราเขา้าใจว่ า, ามีสองอย่างอยากอย่างหนึ่งอยากตามอํานาจของธรรม อยากอยากมี อ, อยากตามอำนาจของกิเลสถ้าเราอยากตามอำนาจของกิเลสมันเป็นเรื่องของสมุทัยถ้าเราอยากตามอำนาจของธรรมมันเ ป, เป็นเรื่องของมรรคเช่นอย่างเราอยากภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธห้ใจสงบอยู่กับคำว่าพุทโธมีความภ <c ad ion> าคความเพียงรับประคองอยู่อย่างนั้นทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนมีจะเรียกว่าอยากตามอำนาจของมรรคเราจะเกิดรู้ได้ไงเบื้องต้นเรา มาสังเกตที่ความรู้คือผู้รู้ของเราให้รู้ให้เข้าใจว่ามันอยากเสร็จแล้วเราเราค่อยมาสังเกตสังเกตว่ามันอยากตามธรรมหรือมันอยากตามกิเลสถ้ามันอยากไปตามกิเลสนีนมันมักจะปีนเกลียวกับศีลกับธรรมเช่นอย่างเราตั้งใจรักษาศีลห้าเนี่ยท่านห้ามฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ระพฤติผิดในกรรมเรื่อสุรามีไรนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นอำนาจของความอยากตามอำนาจของกิเลส บอกว่าอยากฆ่าห้ามห้ามฆ่าสัตว์อยากฆ่าไม่เห็นคุณเมีเห็นโทษเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าห้ามรักอยากรักห้ามผิดลูกผิดเมียเขาอยากผิดลูกอยากผิดเมียเขาไม่มีความเกรงกลัวเขาเรียกว่าปีนเกลียวกับศีลกับธรรมศีลโดยเฉพาะศีลห้าปีนเกลียวทั้งหมดคาว่าปีนเกลียวก็คือมันไม่ล่องไ ม, ไม่ไม่ลงไปตามล่องของของเกลียวนะเขาเรียกว่ามันปีนเกลียว โดยท่านเทียบมาที่เกลียวของเชือกที่เราฟันเชือกนะนะจะเป็นเกลียวสองจะเป็นเกลียวสามจะเป็นเกลียวสี่เกลียวเท่าไหร่คาแต๊ก็ตามแต่ถ้าหากเกลียวมันไม่ลงกันเขาเรียกว่ามันปีนเกลียวเนี่ยความอยากของเราที่ไม่เปลี่นไปตามอำนาจของธรรมเขาเรียกว่าเป็นไปตามอำนาจของเกลียดเขาเรียกว่ามันมีความอยากที่ปีนเกลียวเบื้องต้นให้เราสังเกตจับความอยากให้ได้เสีก่อน หาจับความอยากในใจของเราโอ้ใจมันอยากย้อนมาดูแล้วมันจะเห็นนะย้อนมาดูความอยากแล้วมันจะเห็นย้อนมาดูความอยากแล้วมันจะเห็นย้อนบ่อยๆครั้งครั้งเข้าในขณะที่เราตั้งใจย้อนกลับไปย้อนกลับมามันเป็นการดารงสติสมาธิปัญญารวมกันเป็นพลังทำงานประสานประสานและอันนี้เป็นเป็นมัดนะการทางานทางนี้นี้เป็นอานาจของมัด บางคราวมันจะทําให้เกิดความพลังเพลอขึ้นมาอํานาจตันหามันจะกำลังจะแทรกเข้ามาแทรกขึ้นมาโผล่เข้าม า, มาปับปนะโอ้มันปะทะกัน ร, รุนแรงนะโดยที่เราตั้งใจเจริญตามมรรคอันนี้น่ะปะทะกันนรุนแรงประทะกันกับความอยากเ<ว> <alam> มื่อปะทะกันเรื่อยๆปะทะกันบ่อยๆครั้งเข้า<ว> <alam> ตันหามันก็ค่อยๆยุบยอ่อลงไปค่อยๆยุบยอ่อมันก็กลัวเหมือนกัน ปัญหาที่มันกลัวที่สุดคือคือมันกลัวทำที่มันกลัวที่สุดก็คือมันกลัวหลักของสัจธรรมสัจธรรมก็คือเรื่องข้อเท็จจริงพรธเจ้าท่านให้พิจารณาให้จิตของเรายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงไม่เอาจิตของเราเนี่ยไปหักหายสิ่งใดให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองตรงนั้นเหตุยางกับร่างกายของเราต้องแกแ่เราต้องยอมรับโอเราจะต้องแก่ ต้องเจ็บต้องตายโอ้เราจะต้องเจ็บโอ้เราจะต้องตายโอ้เราจะต้องมีโยโอ้เราจะต้องพลาดพลาดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบข้างัวเราสิ่งใดที่จะมีจะเป็นหากมันมีเหตุมีปัจจัยของมันไม่อยู่ในการกัเกณฑ์ของเราฝนจะตกอ่าเราอยากให้มันหยุดได้ไหมมันถึงแม้ว่าเราจะอยากให้หยุดเขาก็ไม่หยุดแต่เขาจะหยุดด้วยเหตุด้วยหมดเหตุหมดปัดจจัยของเขา ท่านสอนให้เราหัดมีปัญญาถ้าเรามีปัญญาเป็นไงเอาร่ ม, มากาไม่ให้ฝนเปียก เ, เดินไปตากแดดแดดร้อนและเกินต้องการให้แดดต้องการให้แดดเย็นแดดมันก็ไม่เย็นเพราะไอ้ความต้องการข อ, องใจของเรากับแดดนะมันคนละเรื่องกันคนละเหตุคนละปัจจัยพุทธเจ้าท่านสอนให้ฉลาดอ่าถ้ามันร้อนก็หลบเข้ร่มนี่สอนให้ฉลาดหลบเข้าร่มให้ยอมรับ สภาพอะไรที่มันเกิดขึ้นรอบข้างตัวเราแม้แต่การเจ็บไข้ได้ป่วยมากป่วยน้อยก็ตามยอมรับไปตามนั้นร่างกายจิตใจของเรามันจะไม่ดิ่นรนมันจะไม่ได้รับความทุกข์ด้วยเหตุที่เรายอมรับอย่างนี้หมายความว่าจิตเราเริ่มฉลาดจิตเราเริ่มเริ่มรอบรู้เริ่มยอมรับสภาวะที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงสภาวะที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงนี่เองที่เราศึกษา เพอที่จะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นและเข้าไปยอมรับเมื่อจิตเรายอมรับแล้วทุกอย่างมันจะเป็นไปตามภาวะของมันเราไม่เอาจิตของเราไปกระไปเกณฑ์สิ่งใดทั้งนั้นตัณหาความอยากในหัวใจของเราเกิดขึ้นไม่ได้เพราะสติของเรากล้าปัญญาของเราแข็งตัณหาโผล่ขึ้นมาไม่ได้ในเมื่อตัณหายับยาบโพล่ขึ้นมาไม่ได้การที่เราตั้งใจจะยึดถือว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราเพราะว่าเป็นกายของเราเนี่ย ท่านจึงว่าสามารถละได้ละความเห็นว่ากายของเรามองเห็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยร่างกายนี้อยู่ได้เหตุอยู่ได้ปัจจัยใจยอมรับเต็มร้อยเข้าไปรู้เข้าเห็นกระแสของธรรมคือโออันนี้จังโอทุกของอังโอนั้นต่าไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้จิตยอมรับอย่างนี้เต็มร้อยคนคนนั้นเข้าถึงกระแสรธรรมเหมือนอย่างพระอัญญาโกัญญะท่านได้ฟังธรรมมาจากพร ะ, พระนสสูร จิตของท่านเข้าถึงกระแสธรรมน้อมกระแสจิตของท่านเข้าไปตามกระแสธรรมที่พระพุทิเาท่านทรงแสดงจิตของท่านเข้าถึงกระแสธรรมกระแสธรรมนั้นจำแจ้งในใจของพระญาณโกรธัญญาว่าโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นก็เปลี่ยนไปเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปเกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนไปคือคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เจริญเป็นธรรมดาลแล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาทั้งเจริญขึ้นทั้งเสื่อมลงเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยของมันเราไม่สามารถจะพู้รู้ของเราไปกักเกณฑ์ไปบังคับบัญชาไปมั่นหมายสิ่งใดไ ด, ได้เราทําให้จิตของเราเข้าถึงภาวะตรงนี้เราจะมีความสุขคืออัตตาตัวตนมันไม่โผล่ขึ้นมาที่เราโลกของเราทุก ว, วันนี้มันวุ่นวายเพราะอัตตาตัวตนของเรามันโผล่ขึ้นมา เพราะมันโปรยขึ้นมาปโอ้เราเป็นพ่อโอ้เราเป็นแม่โอ้เราเป็นพี่โอ้เราเป็นน้องโอ้เราเป็นนายโอ้เราเป็นคนรวยโอ้เราเป็นคนรู้เป็นระดับด็อกเตอร์โอ้เราเป็นคนทุกโอ้เราเป็นคนจนแน่ความทุกข์ตามมาทุกอย่างตามมาทุกเรื่องเพราะเราไม่ไม่อยากไม่ยอมรับภาวะที่มันมีที่มันเป็นถ้าเรายอมรับเรายอมรับแล้วก็ปลงปล่อยภาวะเหล่านี้มันเป็นอยู่อย่างนี้มีอยู่งนี้เป็นอยู่งนี้ พระพุเจ้าท่านจึงทรงทรงได้พระนามว่าตถาคตตถาคตตถาคตาตถาคตาตถาคตตถาคภาวะอันนี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ท่านจึงว่าชื่อของท่านน่ะแพร่ไปอยู่ทุกหนทุกแห่งในหลักของธรรมชาติในโลกนี้เพราะภาวะของธรรมชาติเหล่านั้นเป็นไปอย่างนั้นเองคําว่าอย่างนั้นเองหมายความว่ามันเป็นไปตามเหตุเหตุ พามันเจริญมันก็เจริญเหตุ้ายเสื่อมมันก็เสื่อมใครไปกระเกณฑ์ไปดัดแปลงไปผันแปรมันไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมารู้มาเข้าใจเรื่องเหล่านี้แต่เวลาพระองค์มารู้มาเข้าใจเรื่องเหล่านี้ทําให้พระองค์จับหลักได้เกี่ยวกับเรื่องของเหตุของปัจจัยพอพระองค์จับหลักได้ว่าโอ้ร่างกายร่างกายเป็นตัวทุกข์ทำให้เรามีพยานอย่างเศร้า ก, กายเป็นตัวทุกข์ทุกควรกาหนดรู้อ่า อ๋อนี่เป็นทุกข์ทำความรู้จักกองทุกข์แล้วก็รู้จักหน้าที่ในการปฏิบัติว่าโอ้กองทุกข์เราควรปฏิบัติยังไงเราควรจะจั ด, จดการยังไงควรกาหนดรู้ควรกาหนดรู้ในขณะที่กำหนดรู้เกิดความรู้ชัดเจนว่าโอ้รู้แล้วเราไปดูที่โปรงแสดงธรรมจักรท่านพูดถึงอาการส2บสองน่ะรอบรอบสาม รอบสอาการสิองของอริยสัจสีเราไปไล่ดูไปไล่ดูถ้าก็พูดถึงในวงของอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เองจนเป็นเหตุให้พระอญยกโจรัญญ า, ามีจิตเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนถึงกระแสของธรรมชาติในโลกทําให้พระอญยกโจรัญญาเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมพระพุทธเจ้าท่านส่งกระแสจิตตามตามจิตของพระอญยกโจรัญญาทร า, าบว่าพระอญยาโจรัญญาเ น, น, นี่มีจิตโนมเข้าสู่กระแสธรรม เป็นเหตุให้พระองค์ทราบทราบถึงว่าผลงานของพระองค์เนี่ยประสบผลสําเร็จทําให้คนอื่นน้อมใจตามแล้วก็เข้าถึงพระแสธรรมเข้าใจเรื่องหลักของธรรมชาติเหล่านั้นจนเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยปลื้มใจว่า ง, งั้นเถอะอุทานออกมาโอ้อัญญาสิวัตโกคนอยอั ญ, ญาสิวัตโกคนยญญโคนยโกุณทิยได้รู้แล้วหนอกุณทิยได้รู้แล้วหนอพระอัญญากรทัญญยแค่ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้น เขาเรียกว่าพระสงฆ์องค์เดียวที่เรียกว่าพระสงฆ์คําว่าสงฆ์คําว่าสงฆ์นั้นมีเงื่อนงำสองสอย่างอย่างหนึ่งคือเป็นผู้มีอริยธรรมถ้าเรียกว่าพระสงฆ์องค์หนึ่งก็เรียกว่าพระสงฆ์เพราะฉะั้นพระพระอนยปุญญะกลายเป็นพระสงฆ์บัตรขึ้นในโลกของค์แรกมันจะไม่จะต้องถึงเป็นพระอรหันต์นะเป็นแค่ดวงตาเห็นธรรมท่านเรียกว่าเป็นพระสงฆ์วันนั้นเป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกพระอัญญนยปัญญะ เป็นตัวแทนมารู้มาเข้าใจธรรมะ e ที่พระพุทธเจ้าท่านเอามาสอนเวนียนพยาศรรสอนสาวกสอนเวนียนพยาศรรทั้งหลายทั้งปวงให้มีความรอบรู้รู้เท่าทันตามภาวะาที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงตามที่พระองค์ทรงบอกทรงสอนจิตก็หลุดพ้นไปตำตาๆกันเห็นไหมจิตมันพ้นพ้นจากอะไรพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นในกองสังขารสังขารรูปก อ, องสังขารนามนะ คนตั้งแต่หยาบๆไปอย่างละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจิตมันก็ถอนเข้าไปถอนเข้าไปถอนเข้าไปถ อ, อ, อนไปจนเหลือแต่จิตคือผู้รู้ฝึกฝนฝึกปรืออยู่ในนั้นไล่ต้อนไปข้างในละเอียดลึกๆแต่ว่ามันเป็นความรู้ชั้นละเอียดลึกมีความรู้แก่กล้าสว่างจ้าโรตลอด อาศัยตะปะธรรมนั้นอะแพร่เผาไปที่ดวงจิตคือผู้รู้ดวงนี้แพร่ไปเรืยเผาไปเรือยเผาไปเรื่อยตัณหาโผล่ขึ้นมาไม่ได้มาไม่ได้ในที่สุดมันก็เหือดไปแห้งไปตัณหาเหือดไปแห้งไปแล้วก็หมดภาวะหมดเชื้อหมดเยื่อใหญ่หมดเชื้อที่จะโผล่ขึ้นในใจดวงนี้หมดไปด้วยความเหือดแห้งจากการแพดเผาของตปะธรรมของสติธรรมของปัญญาธรรม จิตเข้าถึงความบุตรจิตเข้าถึงความผลสามารถแยกสิ่งที่ปนเพื้อนมากับผิดได้ทั้งหมดเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวเนีเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวเป็นผู้รู้ที่บ่อที่สุดผู้รู้ที่บ่อที่สุดนี้ไม่มีพบไม่มีไม่มีตัณหาสันตันหาดับอุปาทานก็ดับพบก็ดับชาติก็ดับว่าจะดับดับดับไปตามกันดับพลิบเดียมก็ดับดับดับไปตามกันหมด อันนี้คือกระแสของธรรมที่โปร่งส่งแสดงให้พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วมาเทียบเคียงกับข้อปฏิบัติของเราที่เราตั้งใจปฏิบัติเราตั้งใจปฏิบัติเราจะเอาอะไรถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เราก็อยากได้ทิบได้เอีดได้อภิญญาได้มีหูทิพย์ได้มีหะได้มีหูทิพย์ได้มีตาทิพย์ได้พิเศษวิโสอย่างนั้นอย่างนี้มองเห็นโน่นเห็นนี้เห็นนู่นเห็นรางวัลเห็นลอตเตอรี่เห็นอะไรอะไรนั้นมันบ้าบอไปถึงขนาดนั้นถึงขั้นนั้น เราทำไปถ้าเราขาดสติขาดปัญญาตรงนี้มันจะยุ่ยแย่จิตของเราในี่ออกนอกรูนนอกทางไปไม่รู้หยุดจับจับจบไม่ไม่รู้จุดจบแต่ถ้าเรามาในวงงานตรงนี้มันเป็นงานเพื่อชําระเพื่อสะสามเพื่อล้างกิเลดตัณหาในหัวใจของเราได้อย่างแท้จริงขอให้เราเจริญแค่เราเจริญสมถทกนเลีในใจของเราก็จะเริ่มเบาเริ่มสงบมีความสุขแล้วเราใช้ความสงบที่มีพลัง มาพิจารณาทําให้เราเข้าใจเรื่องสัจธรรมอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเห็นทุกเห็นสมุทยัยเห็นนิโรธเห็นมรรคสรุปลงแล้วคือเหตุกับผลเท่า น, นั้นเองเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราพิจารณากายกายพิจารณากายก็ไม่ผิดพิจารณาใจก็ไม่ผิดนะท่านจึงสอนหลักสอนหลักที่เราสามารถจเจริญได้ทุกอุปัฏฐากยืนเดินนั่งนอน ทำงานทำการอะไรก็สามารถเอามาเจริญได้คือเจริญหลักมหาสติปัฏฐานเพราะสติตัวนี้เป็นตัวอุปกรณ์ชิ้นงานชั้นเยี่ยมที่เรามาทำงานและได้ผลปัญญาเอยปัญญายานเออทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากสติเกิดจากสัมปชัญญะคำว่าสติก็คือขณะของจิตที่ตื่นรูอยู่ในขณะปัจจุบันเขนาเรียกขณะของจิตนี่คือตัวสติ แต่ถ้าเราไปไล่ไปแยกตามหลักของอภิ ธ, ธรรมได้เพยิ่งแจ่มแจ้งชัดเจนแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องหลักความเป็นจริงตามหลักภาวะที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงบางทีเราก็ไปศึกษาแต่แต่ชื่อของมันแต่นามของมันการศึกษาที่แท้จริงที่ถูกต้อง น, นั้นท่านให้ดูมาที่อาการของมันที่มีมีอยู่ภายในกายของเราที่มีอยู่ในภายในจิตของเรามันจะเป็นอะไรก็ตามให้เราคำนวณขึ้นมา ติดตื่นรู้โรูในปัจจุบันนั้นคือตัวสติคือตัวสารพัญญะอาศัยพระครรภ์พระคลองตื่นรู้โรูตลอดกลายเป็นปัญญาปัญญาเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนมีความตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งมั่นคงลงไปไม่มีอะไรกำเริบเป็นปัญญายานตั้งใจฝึกฝนอบรมแล้วสามารถทําให้เกิดขึ้นได้มีขึ้นได้แต่ที่สาคัญทสุดคือความสงบต้องสงบถ้าไม่สงบไม่ได้ จิตที่ไม่สงบคือคือจิตถูกตัณหามันแทรกเข้ามาพอตั้งใจจะภาวนามันก็แทรกเข้ามาสมถกกมะก็เกิดไม่ได้วิปัสสนาเกิดไม่ได้ตั้งใจจะเอางานนู้นมาพิจารณามันก็แทรกเข้ามาสงบไม่ได้สงัดไม่ได้ความสงบต้องสําคัญที่สุดสมถะสามารถทําใจให้ได้รับความสงบวิปัสสนาก็เป็นเหตุให้ทําให้ใจได้รับความสงบอาศัยความสงบนี้เองที่จะเห็น สัจธรรมอย่างแจ่มแจ้งชัดเกจนสัจธรรมคืออะไรสัจธรรมก็คือธรรมะที่มีความเที่ยงตรงอยู่ในกองสังขารเหล่านั้นคืออันนีจังคือทุกขังคืออนัตตาทุกขังก็คือไม่ทนอยู่ในสภาพเดิมอันนีจังก็คือเปลี่ยนไปพยายามมาฝึกซ้อมอยู่ตรงนี้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจจะทําให้เราได้คุยหมายป้ายทางในการที่จะามาพิจารณา มาขดมาคุยมาคนบั่นทอนกองทุกนในหัวใจของเราอือย่างอื่นเราก็ตะล่อมมาตะล่อมมาเพื่อให้มากองอยู่ในภาชนะคือใจของเราทานเราก็ตะล่อมเข้ามาเช่นอย่างกฐินทานี้กถินทานี้เป็นประตูที่จะทําให้เราเปิดเข้าสู่คุณางามความดีเพื่อจะก้าวไปสู่ศีลเพื่อจะเข้าไปสู่สมาธิก้าวไปสู่ปัญญา เราจงมาจากฐานอันนี้แหละแค่เรื่องของทาน ถ, าถ้าเราทานถ้าเราศึกษาแล้วมันจะกว้างขวางมากจะทําให้เราทราบอัตภาพร่างกายของเราจะทําให้เราทราบผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราอย่าลืมว่าอัตภาพร่างกายของเรานั้นนะคือผลฐานชิ้นแรกที่เราได้มาจากพ่อจากแม่เราเป็นลูกมาด้วยกันทุกคนเราเป็นพ่อเป็นแม่ใครเป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วก็คือ เราเป็นพ่อเป็นแม่มาด้วยกันทุกคนผลฐานชิ้นแรกที่เราได้จากพ่อจากแม่ก็คืออัตภาพร่างกายของเราไม่มีใครเอาเลือดซักหยดเลยเกิดในท้องแม่หรอกอาศัยธาตุพ่อธาตุแม่ประกอบกันทําให้เราเกิดในท้องแม่นี่ท่านให้ฐานชิ้นแรกของเราเพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงมีบุญมีคุณกับเรารักษาพระคัพเประคองประกอบประมมากเท่าไหร่ก็ตามไม่สามารถจะสนองบุญสนองคุณได้หมด แท้ที่จริงผู้ที่จะสนองบุญสนองคุณได้หมดมีอยู่คือผู้นั้นศึกษาเรื่องธรรมะและเอาธรรมะนี้ไปบอกไปสอนไปแนะให้ท่านได้ตั้งใจศึกษาตามประพฤติตามปฏิบัติตามถือว่าสามารถสนองบุญสนองคุณได้หมดการเลี้ยงดูปัจจุบันให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขเท่าไรก็ตามไม่สามารถจะสนองบุญสนองคุณได้หมดเพราะบุญคุณของท่านน่ะยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ขนาดไหน รู้ใช่เหรรู้เรารู้เรามีลูกในท้องอ่ะพ่อก็ดีใจแม่ก็ดีใจรักษาธนุถนอมประคบพระคบประงองการเดืนการเดินกันแลอู้เราดูเถอะแสดงประคับประคองมากว่าจะเจ็เดือนแปดเดือนเก้าเดือนคลอดออกมาทุกอย่างลําบากขนาดไหนออกมาแล้วต้องเลี้ยงต้องดูอู้ลําบากมากดูที่อะไรใหทุกอย่างลําบากกับการเลี้ยงดูไม่มีหรอก <S <S นี่คือบุญคือคุณใครมองไม่เห็นตรงนี้ก็คือคนที่หูหนวกตาบอด มืดไม่มีสติไม่มีปัญญาท่านจึงเรียก ว, ว่าหูหนวตาบอดมองไม่เห็นบุญไม่เห็นคุณนี่คนประเภทมองไม่เห็นบุญไม่เห็นคุณข้าพ่อก็ได้ข้าแม่ก็ได้แค่อดีตรกรรมของพระโมขลาน้าเนี่ยเห็นไหมรักเมียข้าแม่เห็นไหมรักเมียพระักเมียรักเมียตามน่ะของตัณหาตัณหามันเคยให้รู้จักบุญจากคุณที่ไหนเมียนี่ก็โอ้ยร้ายกาศน่าดู ไม่ชอบแม่แม่ตาบอดพอไม่ชอบแม่แล้วมีวันหนึ่งตัดสินใจแล้วถ้าพี่จะอยู่กับแม่เยอฉันก็จะไปแล้วถ้าพี่อยากอยู่กับฉันพี่ต้องจัด ก, การกับแม่โอ้รักแม่ไปรักเมียได้แตเอาแม่ไปฆ่าฝึงเดียวไม่พอไม่พอห้านาทีอะแม่ตายเป็นอนันตริยกรรม กรรมให้ผลมาห้ารอยชาติเกิดชาติไหนก็ฆ่าเกิดชาติไหนก็ฆ่าเกิดชาติไหนก็ฆ่าแต่หลังจากฆ่าไปแล้วท่านก็นมาระ ล, ะลึกได้เออโอเราผิดไปแล้วเราต้องกลับใหม่ต้องปรับตัวใหม่ถึงแม้ว่าจะระลึกได้ก็าตามแต่กรรมเก่ามันทำลงไปแล้วทำอะไรได้ละ่ะมันทำลงไปแล้วลงมือสร้างเหตุลงไปแล้วผลมันก็จะต้องให้จ น, จนสมเหตุสมผลไปจนห้าร้อยชาติ เกิดชาติไหนเขาเขฆ่าเกิดชาติไหนเขาเขฆ่าอ่าแต่ด้วยเหตุที่ท่านรึกได้เรากลับตัวใหม่กลับตัวใหม่โอ้เราทําผิดไปแล้วตั้งใจทําความดีเอาใหม่แก้เอาใหม่ว่าะงั้นเถอะก็เลยมาปรารถนาเป็นอาคาตสาวกเบื้องซ้ายภาษารีบุตรตั้งเป็นตั้งปรัความปรารถนาเป็นอาคาตสาวกเบื้องขวาพระมคคลลานะตั้งเป็นอาคฆาสาวกเบื้องซ้ายตั้งใจบําเพ็ญบา ร, รมีมาตลอด เพราะฉะนั้นกระแสธรรมะกระแสธรรมในใจของเรามีอยู่สองกระแสหนึ่งกระแสกิเลสหนึ่งกระแสกิเลสสองกระแสธรรมธรรมทั้งสองอย่างนี้จะเป็นคู่แข่งกันมาตลอดตั้งแต่กับกันโพเลชานไหนเราก็ทราบไม่ได้แม้แต่พวกเราทุกคนเนี่ยพวกเราอยู่ด้วยกระแสธรรมสองอย่างนี่แหละแข่งขันกันหนึ่งกระแสของกิเลสสองกระแสของธรรมถ้าใครทำปฏิบัติธรรมมีคุณธรรมมากกว่า กิเลสมันก็ค่อยยอกยุกยอย อ, ยอลงกําลังก็เริ่มอ่อนแรงลงแต่ถ้าใครไม่ตั้งใจศึกษาธรรมระพฤติธรรมปฏิบัติธรรมวันคืนลงไปก็มีแต่กิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากผลได้ได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดกิเลสอ้วนผีธรรมะแฟรแต่ถ้าเราตั้งใจได้ว่าโอ้เราต้องพฤติธรรมเราพุโทโธยืนเดินนั่งนอนเระพุโทโธพุโทโธพุทโธมีสติมีสัมผัั่ง ย, ยพิจารณาสภาพร่างกายของตัวเองเจริญสติธรรมเจริญปัญญาธรรม ในขณะที่เราเจริญทุกระยะทุกเวลากลายเป็นธรรมกิริยาที่เราทําทั้งหมดมั น, เ ป, นเป็นเรื่องของกรรมหมายความว่าลงมือทำลงไปแล้วเป็นเรื่องของกรรมนล้วเมื่อเราลงามือทาลงไปแล้วมันเป็นการสร้างเหตุผลย่อมตามมาเป็นเรื่องของธรรมธรรมกรรมวิบากธรรมกรรมวิบากชีวิตของเราหนึ่งชีวิตนี้เราควรจะตั้งเป็นธรรมกรรมวิบากแต่ถ้าหากเราลืมธรรมแล้วกิเลสมันพัฒ น, นาไปตามหน้าของมัน แต่ทำนั้นเราต้องดึงเราต้องประคับประคองเราต้องบังคับเราต้องหาโอกาสเราต้องสร้างโอกาสเพื่อจะสร้างอัดสร้างทำให้เกิดขึ้นในหัวใจต้องเป็นกระแสที่ต้านถ้าไม่ใช่กระแสที่ต้านต้านหมายว่าต้านอำนาจาฟต่าเหมือนเหมือนเขาต้องการผลักดันน้ำให้ขึ้นที่สูงเขาจะต้องมีเครื่องสูบเขเขาจะต้องมีเครื่องดัน ธรรมะที่จะเกิดขึ้นในหัวใจของเราก็เช่นเดียวกันจะต้องมีเครื่องสูบจะต้องมีเครื่องดันคือธรรมะถ้าเราตั้งสติระลึกรู้ได้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปเราจะเจริญแต่ธรรมมันจะกลายเป็นธรรมกรรมวิบากธรรมกรรมวิบากผลรายได้เป็นธรรมทั้งนั้นก้อนธรรมเราก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นในเมื่อก้อนธรรมโตขึ้นโตขึ้นก้อนกิเลส นอกจากมันจะอยู่เท่าเดิมแล้วมันจะยุบย่อลงไปยุบย่อลงไปยุบย่อลงไปกําลังมันจะเริ่มแพ้เราแพ้ธรรมะเริ่มแพ้ไปเรื่อยแพไปเรื่อยแพ้ไปเรื่อย แ, แต่อย่าลืมว่าธรรมะถ้าเราไม่เจริญถ้าเราไม่เจริญไม่ตั้งใจปฏิบัติกิเลสมั น, น, มมนพัฒนาไปโดยหลักธรรมชาติของมันอำนาจของความอยากมันจะพัฒนาไปโดยหลักธรรมชาติของมันเอ้กิเลสเราก็ไม่พัฒนาทำเราก็ไม่ไม่พัฒนาไม่ได้คิดเอาอย่างใจไม่ได้ เนื่องจากว่าเรามีสองอย่างถ้าเราไม่ไปตามอำนาจของกิเลสเราก็ต้องมาตามอำนาจของธรรมแต่อำนาจของธรรมเนี่ยต้องผลักขึ้นต้องใช้พลังต้องใช้เรียเรเร่ยวแรงเรี่ยวแรงของสติธรรมของปัญญาธรรมวิริยะธรรมอุตสาหธรรมเป็นธรรมเป็นกรรมวิบากเป็นธรรมกรรมวิบากอาชินกรรมทุกวันนี้จิตใจของใครอยู่กับทานอยู่กับศีลอยู่กับภาวนามีสติมีสัมผััญญาจำ ก, กับตลอดคนนั้น มีธรรมที่เจริญก้อนธรรมก้อนธรรมคือคือคือคุณสมบัติของใจของภาชนะดวงนั้นก็จะเจริญธรรมก็จะเจริญตื้นตื้นตืนตืนเขินขึ้นเขินขึ้นเขินขึ้ น, น, น, น, นกิเลสก็จะเริ่มยุบยอบ่ออ่อนแรงเราไปอ่อนแรงลงไ ป, แ, งไปแต่ถ้าเราปล่อยทาไม่เคยสนใจเรื่องธรรมเลยปล่อยจิตใจไปตามบุญตามกรรมกิเลสเอาไปถลุงแน่นอนเราไม่ต้องตั้งใจทำตามมโน ก, กิเลส หากมันพัฒนาไปตามเปรียบข้ามันเหมือนกระแสะน้ําที่ไหลไปที่ต่ําน้ําตามหลักธรรมชาติของมันมันจะไหลลงอยู่ที่ที่ต่ําไหลลงที่ต่าเสมอไม่มีน้ําไหลขึ้นที่สูงไม่มีไหลขึ้นที่สูงได้จะต้องมีสิ่งผละจะต้องมีสิ่งดูดหมายถึงกระแสธรรมจะพึงเจริญขึ้นในหัวใจของเราเช่นเดียวกันต้องใช้ความอดความทนต้องใช้ความภาคความเพียรต้องใช้วิริยะอุตสาห์ต้องใช้ ความทะนุถนอมประคับประคองอย่างยิ่งยวดทั้ง อ, อกทั้งใจทําเอาเถอะเราประสบพบเห็นเราจะรู้เราจะเข้าใจด้วยดวงตัวเราเองนี่เราจะลองเข้ามาเป็นทานอยากได้บุญเพิ่มอีกขยับเข้าไปอีกรักษาศีลียากไปอีกภาวนาทำให้ใจสงบกำหนดให้สงบเฉยเฉนี่เกิดผลเกิดอ น, ะนิสงพิจารณารอบรู้ไม่ให้ตันหามันมาแทรกหัวใจของเรา เน่ยเกิดผลเกิดอนิสงส์เป็นเรื่องของภาวนาขอให้เราอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยด้วยการภาวนาเพื่อความเจริญวัฒนาถาวรไปตามอําอนาจของธรรมกลายเป็นธรรมเป็นกรรมเป็นวิบากมันเป็นการหลบหลีกมันเป็นการหลีกหนีจากอํานาจของตัณหาซึ่งเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบากกิเลสกรรมวิบากหรือตัณหากรรมวิบากตัณหากกรรมวิบาก ทำตามหน้าของตันหาตกกิริยาที่เราทําคือเป็นกรรมผลเป็นเรื่องของตันหาผลเพิ่มเป็นเรื่องของตันหาทำกรรมวิบากสติธรมปัญญาธรรมกิเลสหรือตันหาเป็นกิเลสกรรมวิบากหรือตันหากรรมวิบากวิบากกิริยาที่มันกระดดกรดิ ก, กนนคิปแปลเขาเรียกว่ากรรมคือกิริยาที่กระทำ กิริยาที่กระทําสิ่งใดๆก็ตามมันเป็นการย่อมเป็นการกระทําเหตุผลย่อมตามมาคําว่าวิบากคือผลของกรรมรู้สึกว่าจะย้ําตรงนี้อยากให้พวกเราเข้าใจแล้วไปถือเอาไปประพฤติปฏิบัติเป็นคติตัวอย่างเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อจะทําให้ภาชนะของธรรมของเราเนี่ยตื้นเขินมารู้สึกว่าประรพบทรมมาก็นานรู้สึกอู้ทำมา จ, จันทร์ ทำไมท่านพูดนานเหลือเกินนานจบเหลือเกินพูดนานเหลือเกินนานจบเหลือเกินพูด完了ยัดกลับบ้าน <c oughs> ดูให้ดีโดนกิเลสหลอกอีกแล้วต้องอีกแล้วนี่เราสังเกตสังการแล้วเราจะรู้ทันแต่ตั้งใจได้เข้าใจได้รอบรู้ได้ข้อปฏิบัติตรงนี้เอาไปทำน่ะเป็นการพัฒนาผลกําไรกับชีวิตของเราได้ทุกยักทุกเวลา ทั้งหมดนี้มีผลมีอ น, นิสงผลอนิสงเท่าไหร่ทั้งพวกเหลา่าลนี้ะจะบรรดาให้เรามีความสุขมีความเจริญโดยทุนากันพอสมควรในเวลาบาง <c oughs> <c oughs> นานแล้วเกินน้ำจบแล้เกินพู้ไรบ้างก็ไม่รู้ผู้ที่นั่งหลับไม่รู้เรื่องหรอกนะไอ้ผู้ที่นั่งหลับผู้ที่ไม่หลับก็ ได้พอห้าเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นรู้เรื่องอ่าฟุงนี้มามาทอดกระเทีนกระทนสเมื่อคีกระทนที่ไหนก็ตามเราจะรอให้รอให้เราไปจองเป็นเจ้าภาพหลักเป็นเจ้าภาพใหญ่เราก็ไม่ได้ทำสักซีดอกเราไปทอดที่ไหนก็คือของบุญของทางของทางของเราของเราเออ้าวมีอะไรอีก ครับสายกันเทศครับโอ้มีกันเทศด้วยไม่เห็นมีพรหมไมจโลกาทําไมมีกันเทศวะฮะอ่าวันนี้ได้เมื่อหนึงแล้วเดี๋ยเดี๋ยวเราจะมีมาเพิ่มอีกโย่เดี๋ยวเดี๋ยฟุ่งนี้ก่อนจะบอกให้เกียรต์เอาไปเพิ่มนะอันนี้อันนี้ยังไม่ต้องเบิกมาก็ไดห้หรือจะเบิกมาเดี๋ยวให้เกียรติรวมไปทีหลังก็ได้นะ ไอเกียติอจเฟอร์อืมอืมออ๋อยายนี่ก็แม่เหรออ่าอ่เออโอ้นี่นี่แหละประธานใหญ่เนี่ยประธานใหญ่ตัวอืมอืมนี่ประธานใหญ่เนี่ยก็ได้อีก สองหมืนโอ้ได้สามหมื่นแล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้เราเอากลับไว้เนี่เราจะเราจะเข้าไปกลับเจ้าคณะจังหวัดด้วยเนี่ยนี่ความหมายนี่เราก็เอากันเทศนี้เราก็เอานะ้ไปเอาไปถวายไปทําบุญต่อกับเจ้าคณะจังหวัดเป็นวันครบรอบท่านนี่วันลบวันลบวันลบเหรอ วันลบต่อยอดต่อยอดเพิ่มอีกสามหมื่นเป็นห้าหมื่นเป็นหกหมื่นต่อยอดโอ้ต่อยอดกะทินทั้มเตาพุ่นอะ่ะโอ้ <c oughs> สาธุโ <c oughs> ตออกะทินทั้มเตาเนะ่ะวันที่สิบสามนะเป็นกะินพระเจะ้าเทานจากประเทพนะแต่เพุ่นไม่ได้ม า, มาดอกหมอเขาไปรับผ้ามาไปรับมาแล้วเขาไปรับผ้ามาแล้ว พวกนักกำลังวุ่นวายกันอยู่น่ะจะทํายังไงจะทํายังไงเราก็โอ้ยใครทําเป็นก็ ท, ทําเถอะเราไม่รู้เรื่องเราทำไม่เปลี่ยนดอกเรารับอย่างเดียวไปรวมกฐินเนอะไปร่วมบุญกฐินพระยาธานเะอเออเขาคิดถึงพ่อทราบนะตามที่เราทราบนะอฟ้าหญิงจุลาพรเรียกให้หมอเข้าไปเพื่อที่จะรับกฐิน เพื่อทจทิศส่วนบุญให้พ่อแต่หมอเข้าไปแล้วไปรับที่ประเทศได้ผ้ากระถินมาผ้ากรถินแบบนี้มีเขารับทั่วประเทศไทยนะรับไปทั่วๆเลยแหละแต่บางแห่งเขารับเขาแจ้งความจำลองไว้เป็นปีๆแต่ของเราภายในไม่กี่วันจนที่บัวแก้วเนี่ยไม่ทันเพราะว่าก่อนบัวแก้วสี่ห้าวันนั่นเองที่หมอเขาเข้าไปเข้าไปในวังนะ่ะ ก็ไปเพื่อที่จะได้ทราบเงื่อนงําอะไรตัวอะไรเนี่ยจับไม่ทันแต่พอดีทําเต่าทันทําเต่านี่ไป ร, รับรับผ้ามาแล้วว่างั้นนะไปรับผ้ามาแล้วระยะนี้หมอจะมาลุกหน้ากลับมาไม่ได้เพราะไอ้ประธานกระถินที่บวกแก้วเนี่ยประธานที่ทอดกระถินที่บวกแก้วไอโยชิญี่ปุนนะตายหัวใจเป็นโรคหัวใจคนอายุไม่มากนะ น, น่าจะยังไม่ถึงห้าสิบหรอกเป็นโรคหัวใจตาย ไปทั้งแม่ของภรรยาทั้งภรรยาสสิสศิเนี่ยสิสิเนี่ยช่วยงานอยู่ในวัดนั่นแหละสิช่วยงานอยู่ในวั ด, ววดแต่โยชิโยชิเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นเขาไปซื้อที่สร้างบ้านสร้างไร่มีสวนมีรา่อยู่ติดกับวัดเราก็เลยได้ใช้สอยเขา <c oughs> ปีนี้เขาไปจองกระถินจองทิ่นไปทอดทองกระถินก็บุญแล้วจองกระถินเสียจเขาเป็นโรคหัวใจเขาไปเลย ถ, ถ้าเกิดไม่ได้ท่อกระถินละโอ้ยังรู้สึกว่ายังขาดอะไรอยู่อยู่ใกล้วัดแต่เมียเนี่เอาการเอางานช่วยงานวัดหมอเขาก็เลยไปช่วยงานอยู่ที่นู่น เ, นเดียวนี้ยแล้วก็เผาวันที่สิบสี่เนี่ยเผาวันที่สิบสี่เผาที่ไหนเราไม่รู้เอาไปเผาที่ดวงบ้านหินแหลมหรือเปล่าเราไม่รู้นะที่พวกเราไป ท, ท่อกระถินเอาที่แล้วเนี่ย นี่ก็คือภาวะที่เป็นไปหมอก็เลยยุ่งหลายอย่างยุ่งหลายเรื่องพวกเราต้องการประสานอะไรก็มีแต่โทรไปถามไปถามไปพวกเราก็มาวิ่งมาวิ่งมาเต้นมาจัดที่จัดอะไรอยู่นี้แหละนะครับทําให้เป็นแต่สัยว่าทางราชการเขาเขาเป็นเพราะเขาทําเป็นประจํท า, าทางอำเภอทางอะไรตัวอะไรเอยเขาก็เลยอย่างบานตากปีนี้ก็เป็นขินพระรยาฐานกันแต่จะเป็นพระราชทานในหลวงหรือเปล่าไม่รู้นาะ อ, าอาทางมหาวิทยาลัยคณะแพทย์เขาไปรับมาแล้วไปทอดเป็นกรถิ่นพระราชทานที่บันดาคนที่เขาไปเห็นว่าพิธีเขาจัดยังไงอะไรเงี้ยเราก็เอาแปะเรียนแบบเขาว่าคนที่จะม า, าทํายังไงแต่งตัวยังไงอะไรยังไงเป็นกรถินพระราชทานาไปร่วมกินบุญกรถิ่นทำเต่าด้วยกันนะออให้พรออที่นี่ ให้พรเนี้ยเราได้ห้า0มืนได้หกหมื่นนะเนี่ยเอาเราตั้งไว้ที่แสนหนึ่งแต่แสนหนึ่งรวมทั้งอันนี้นะฮะ อ, อ, อ่าแสนหนึ่งรวมทั้งอันนี้แต่ถ้าใครมาร่วมอีกก็เพิ่ม เพิ่มจากแสนไปเราไม่เราไม่ได้มาตีกินหรอกใครรู้มารู้มารู้มาแต่ยังแสนหนึ่งอยู่เหมือนเดิมนี่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อ่าต่อไปตั้งใจให้พรรับพรให้พรรับพรยาถาสัพีเนาะฮะให้หมูรับสัพีตะพอเราเจรอพระคุณธมนุญพวกเราก็ฟังพระสงฆ์เจอพระคุณธมนุญด้วยกันพวกนี้ก็มาทำบุญใส่บาตรเท่ากระถินด้วยกันอ่า แ, แล้วก็ปูงนี้ก็ไปต่อทําเต่าอีกแราว่าเราจะพูดธรรมะเสร็จแล้วก ล, ลับโอ้ก็รู้สึกวันเหนื่อยเหมือนกันเยโ่นุ้อก็ไปเร่งรองครัวรองครัวใหม่ไปขึ้นนะ15เมตรคูณ15เมตรเร่งเราไปเร่ง 4-5 วันเนี่ยเพื่อต้องการให้งานมันเรียบร้อยเป็นฟุตบาทเป็นล่องน้ำมีตะแกรงเหล็กใส่ไปกี้เร่งตลอด แทบไม่ได้สูกยาพวกนั้นนะ่ะจนวันนี้ก็ยังไม่เสียนั้นเนี่ยขนหินขนอะไรไปใส่ทํามันไดอีกอะไรต่ออะไรอีกเนี่ยหลายพวกนั้นก็ไปตั้งก้ยตั้งอะไรนะอผลสรุปอยู่นั้นแหละแต่พวกเจ้าหน้าที่ไปประสานเกี่ยวกับเรื่องกติณพรายทานนี่กับเข้าออกเข้าออกอยู่นั้นนะไปจับซาลงซาลาไปดูว่าเขาจับผ้าจับแพร จ, จ, จับอะไรท่ออะไรมนะาไปช่วยกันเถอะ ไป บ, บนกระถิญยพระยท า, านโอ้คิดถึงในหลวงแล้วก็โอ้ขน ล, ลุกเลยเขาคิดถึงพ่อทิฐส่วนบุญให้พ่อโอโตโตโตโตโตโอ้พวกเราคิดได้ที่ไหนดูเขาคิดถึงเราคิดไม่ถึงอ่ะพ้นคิดถึงเนี่ยให้ไปรับกระถิญมาเพื่ออุทิศส่วนบุญให้พ่อในหลวงน่ะในหลวงเป็นคนดีที่ ตามที่เราฟังข่าวอะไรมาก็ไม่มีทิฏฐิฟังเรื่องอะไรเกี่ยวกับเพื่อนแล้วก็ปลืม้มปีติยินดีจนน้ำหูน้ำตาไหลนั่นแหละในหลวงอ่ะาไม่ธรรมดาทําไม่ใช่ธรรมดาคงเทียบไปแล้วคงไม่ต่างอะไรกับเทวดามาโปรดเมืองไทยอ่ท่านเป็นเทวดามาโปรดเมืองไทยแล้วกูนำความดีทั้งหลายทั้งปวงท่านจะไปไหน จะต้องไปที่ดิบที่ดีที่สูงกว่าแต่ถ้าหาท่านเป็นปรารถนาเป็นแค่สาวกท่านก็มีคุณธรรมติดเพียบแต่ถ้าหาท่านตั้งใจเป็นพุทธะปรารถนาเป็นโพธิญาณเนี่ยบา ร, รมีก็ส่งท่านไปมากทีเดียวแหละทำให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเราฟังดู เย็นศิระเพราะพระบริบาลเย็นศิระสบายใจเย็นหัวอกหัวใจเพราะนโยบายของท่านท่านมาบริบาลให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขแม้แต่โครงการพระศาสนาก็อยู่ในการอุปถัมเป็นพุทธมาม ก, กะทําให้พระเจ้าประสงค์ของเราเลยมีที่เพื่งมีที่พิ ง, ม, งมีที่อิงแล้วก็ศาสนาทุกๆศาสนาก็ได้มาเพึ่งมาพิงมาอิงในหลวง เวลาท่านลวงไปอย่างนี้มีใครที่จะไม่คิดถึงเพราะไม่มีเต็มสนามหลวงเนี่ย น, นะไปคอยคอยเพืที่จะเข้าไปเข้าไปกราบศพใครไปกราบมาแล้วยกมือใครไปกราบศพในหลวงมาแล้วยกมือเออใครอยากไปก็ถามเขาเด้อเข้าไปมาแล้วกราบในศพในหลวงอเพิ่งตายเทือเดียวนั่นแหละถ้าเพื่นเราไปกราบก็ให้เราไปกราบได้เทือนี่แหละ ใต้เท่อเดียวแหละเผาอะไรก็หมดหไม่ได้ไปกราบศบท่านแล้วต้องคอยคิวด้วยคนแจกทานรอบข้างรอบๆสนามหลวงแจกอย่างนั้นแหละพวกเราอยู่นี่แต่เราเราสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้เขามีทีวีดูเขาอยากจะดูหมดทุกอย่างทุกรื่องเราไม่รู้เขาหรอกะให้พรละพร <c oughs> ยาทาวาริวะหาปูราปริปูเรนตีสะคะรังเอวเมวัยโตทินนังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะทามานิโชติระโสยะทา เอโยวิวานชันตุสัพพะโรคอยนันสตุมาเตมภารตวนตารายโยสเกเถายุกภาวอปิวัชนาสิลิ ชาวยชาปัญญน้อยชาตาโรยธรรมวาทนที่อายุวันโนอาสุขังารตนาตยานุภาเวนาราตนตยเตยาชาตุคาร โสกัสสโตจูปตะวะอเนตาธารายาปิเวนัสันตอาศิตโตกายาเธนังลสธิภาทยังสุขังบลังเริยายวันจ้าโคงวุธิเยสวาาตวาาจายุจายีวสิสตีพะวันโตเต ปาวาตุสัพพังกาลังร a คันตุสัพพเ a วะตาสามบุตทานุภาเวนัสดาโสทิปาวันตุเตปาวาตุสัพพังกาลังราคันตุสัพพเ a วะตาสามธรรมานุภาเวนัสดาโสทีปาวันตุเต พาวัตุสัพพมังกาลังร <Lang roster sixth beach> ักขันตุสัพพเดวตาสัมัสังขานุภาเวนะสดาโสทิยมพาวันตุเตมใครเฝ้าหม้อก๋วยเตี๋ยวแม่เหมยโอบรายมาเฮ็ดบอก โอ้มานจะสาลาเปาไปฮอทําเตาบ่านเะนาะฮะเออโอ้พูดยาวนานจบแล้วเกินเนาะไว้ปล่ะไอ้ไวไมวยเออดูทิ้งไปเลยแหละดูมันแล้วก็ทิ้งมันไปเลยอืม เสียเปียมันได้เสร็จแล้วจบแล้วเมนแซง เ, ซงเข้าใจไหมไหนอะไหนอะที่แปลให้ฟังไหนอะไรนะฮะลษท่านอะนนอะไรนะอะไรนะฮะออสออมาไหนมาออสมาไ น, นมา เอาไปใครกลับก็กลับซะพวนี้มาใหม่อ่าอ่าไปใครอยู่ก็หาที่อยู่นอนภาวนาอืม่อพราเราก็เลิกกันแล้วไปพักวันนี้บิณฑบาตฉัน ทนเสร็จแล้วก็ทอดทอดเสร็จแล้วเขารีบกลับไปพาละคอยอยู่นู้นเยอะคุณท้าวราก็ไปนอนนู่นแหละท้วาวรา